วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20สิพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมผู้สนใจคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ า, พ เ, าเพื่อผลประโยชน์ที่แสนจะหายากญญาก็คือการดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก่อนอื่นเราก็ควรที่จะมาทำความรู้จัก กันก่อนว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรเพราะว่ามีคนที่มามาวัดกันนั้นคิดว่ามาผิดที่กันเพราะว่าไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสถาบันการศึกษาบางคนก็คิดว่าเป็นที่อาบน้ำ มาขออ่ามน้ำมนต์กันบางคนก็คิดว่าเป็นที่ดูดวงมาขอดูดวงชะตาต่างๆบางคนก็คิดว่าเป็นที่ตัดผมพาลูกพาหลานมาช่วยให้โกนผมตัดผมให้บางคนก็คิดว่าเป็นโรงพยาบาลมีโรคภัยไข้เจ็บก็อยากจะให้ช่วยรักษา ให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความไม่รู้จักพระพุทธศาสนาว่าเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ผิดหวังและจะได้สิ่งที่ควรที่จะได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ มีคุณค่ากว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือศาสนาพุทธนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่สูงสุดของโลกเลยก็ว่าได้เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ที่สูงสุดขั้นสูงสุดของโลกไม่มีสถาบันการศึกษาใดในโลกนี้ที่จะสามารถให้ความรู้อันสูงสุด แก่ผู้ที่มาศึกษาได้เท่ากับพระพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธศาสนาจะสอนก็คือวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองซึ่งไม่มีสถาบันใดในโลกนี้ที่จะสอนได้นี่คือสิ่งแรกที่เราควรที่จะทำความเข้าใจทำความรู้จักกันจะได้ไม่เสียเวลา จะได้ไม่ต้องคว้าน้ำเหลวเวลาที่มาหาพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะไปตัดถ้าอยากจะอาบน้ำก็ไปอาบน้ำที่บ้านกันอยากจะตัดผมก็ให้ไปที่ร้านตัดผมกันอยากจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้ไปโรงพยาบาลกันอย่ามาวัดอย่ามาหาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นที่สถานที่เหล่านั้นพระพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นที่ผลิตบัณฑิต4ี่ระดับด้วยกันก็คือบัณฑิตขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันบัณฑิตขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีบัณฑิตขั้นที่สามคืออนาคามีและบัณฑิตขั้นที่สี่ คืออารหารันนี่คือบัณฑิตผู้ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในแต่ะระดับกันความทุกข์นี้มีแบ่งไว้4ระดับใหญ่ๆด้วยกันที่ผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนานี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติอย่างแข้งขันจนในที่สุดก็จะสามารถสำเร็จบรรลุจบปริญญาเป็นบัณฑิต4ระดับของพระพุทธศาสนาได้นี่แหละคือพระพุทธศาสนาเป็นมหาวิทชาลัยที่สอนวิชาเดียวก็คือวิชาจิตศาสตร์สอนวิชาเกี่ยวกับจิตใจ เพราะจิตใจเป็นจิตจิตใจที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาเกิดในโลกนี้จะเกิดสูงเกิดต่ำจะเกิดรวยเกิดจนนี้ก็มีจิตใจที่เหมือนกันทุกคนก็คือเป็นจิตใจที่มีความทุกข์คอยเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆไม่มีใครนี้จะสามารถ พูดได้ว่าไม่มีความทุกข์ในใจของตนเองจะร่ำรวยขนาดไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่จะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่มีใครที่จะไม่มีความทุกข์กันเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี้เป็นสถาบันที่เหมาะสมกับคนทุกระดับคนรวยคนจนคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยนี้ สามารถที่จะมาศึกษามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ได้และสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันเดียวในโลกนี้มังที่ไม่มีการคิดเงินทองจากผู้ที่มาศึกษาแต่จะรับบริจาค ต, ตามความศรัทธาเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นอาจารย์ ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเพราะเป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกันมีความจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่วัยเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกันคือมีอาหารต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเพียงแต่ว่าสถาบันพุทธศาสนานี้ไม่กำหนดราคาไว้ว่า เทอมนึงนี้จะต้องจ่ายกี่พันกี่หมื่นกี่แสนอันนี้เปิดกว้างให้กับทุกคนคนรวยจะจ่ายมากก็ได้คนจนจะจ่ายน้อยก็ได้คนที่ไม่มีเลยจะไม่จ่ายเลยก็ได้นี่คือความวิเศษด้วยความความแตกต่างของสถาบันการศึกษาของพุทธศาสนา กับสถาบันต่างๆในโลกสถาบันต่างๆในโลกนี้ยิ่งมีชื่อมีเสียงเท่าไหร่ยิ่งมีค่าใช้ใจ่ายค่าศึกษาแพงขึ้นไปเท่านั้นคนที่ไม่มีเงินมีทองนี้ก็จะไม่สามารถเข้าเรียนได้แต่พระพุทธศาสนานี้เปิดกว้างให้กับทุกคนทุกชนชาติด้วยไม่ไม่เปิดแต่เฉพาะคนที่ กในประเทศไทยเท่านั้นคนที่เกิดในต่างประเทศคนที่เป็นชาวต่างๆก็สามารถที่จะมาเรียนในโรงเรียนพระพุทธศาสนาได้มีสิทธิ์ที่จะเรียนแม้มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ด้วยกันทุกค น, นนี่คือสิ่งแรกที่เราควรที่จะมาทำความรู้จักกัน เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราว่าเป็นอะไรพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยอย่างแห่งหนึ่งอย่างหนึ่งของโลกเหมือนกับสถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆก็สอนวิชาต่างๆวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยนั้นสอนเป็นวิชาชีพทั้งนั้นคือสอนเพื่อเอามาเลี้ยงชีพเป็น เรียนวิชานั้นวิชานี้พอจบออกมาได้ปริญญาก็สามารถไปสมัครงานทำอาชีพต่างๆได้เป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรต่างๆนี้ได้เพราะได้ไปศึกษาเรียนจากสถาบันต่างๆแต่ ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนจบมาแล้นำไปประกอบอาชีพนั้นมีประโยชน์เพียงแต่การกําจัดทุกบำรุงสุขให้กับร่างกายเท่านั้นเองคือถ้ามีความรู้ก็ไปสมัครงานได้มีงานทำาวามีงานทำก็มีเงินเดือนมีรายได้มีรายได้ก็สามารถเอาไปซื้อ ของที่จำเป็นต่อการดารงชีพได้ไปจ่ายค่าเช่าบ้านหรือไปซื้อบ้านไปจ่ายค่าอาหารไปจ่ายค่าเสื้อผ้าไปจ่ายค่าอยู่ค่ายาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยและจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกประโยชน์อังนี้เป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ได้มีได้เรียนจบจากสถาบันศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ประโยชน์ที่สถาบันต่างๆจะไม่สามารถให้กับผู้ที่ไปศึกษาและจบออกมาได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจจิตใจของทุกคนที่ได้จบปริญญาระดับต่างๆมานี้ได้รับงานได้ทำงานในระดับต่างๆ ได้ตำแหน่งในระดับต่างๆได้เงินเดือนในระดับต่างๆ <st ay> ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจของตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ได้ใจก็ยังต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอยู่ทุกวี่ทุกวันเรียนมากเรียนน้อยจบสูงจบต่งก็ยังต้องเจอกับความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีแต่ ผู้ที่จบจากพุทธศาสนานี้เท่นั้นที่จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยอันนี้คือความแตกต่างของพระพุทธศาสนากับสถาบรรันการศึกษาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าเวลาที่เรามาศึกษาทางพระพุทธศาสนานี้เรามาศึกษาเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ซึ่งจบไปแล้วนี้อาจจะไปหางานทําไม่ได้ในโลกนี้เขาไม่รับคนที่จบจากพระพุทธศาสนาไปทํางานตามบริษัทต่ตางๆไปให้ตําแหน่งให้เงินเดือนอะไรตา่างๆแต่ผู้ที่จบพ้นจากพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นผู้ตกงานก็ได้ผู้ที่ไม่ต้องทํางานอีกต่อไปแล้วเวลาผู้ที่จบ การศึกษาในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าจะบอกว่าวุสิตังบ ร, รมจรียัง<ม>กิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว<ม>ภารกิจของนักบวชของผู้ที่มาศึกษาในพระพุทธศาสนานี้ได้สิ้นสุดลงแล้วมไม่มีกิจอื่นต้องทำอีกต่อไปมไม่จำเป็นจะต้องทำงานอะไรต่อไป<ม>อยู่เฉยๆก็จะไม่ทุกข์ จะอดตายก็ไม่ทุกข์ mm. จะเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปก็ไม่ทุก mm. ข์เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรต่อไป mm. ถ้าจะทำก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเท่านั้นเองเช่ mm. นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวแล้วได้จบปริญญาของพระพุทธศาสนาแล้ว mm. ก็ไม่มีงานอะไรจะต้องทำอีกต่อไป งานที่จะทําก็เป็นงานที่ทําด้วยความสมัครใจทําด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกคืองานสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองสั่งสอนความรู้ที่ได้ทรงได้ทรงค้นพบได้ทรงตัดสั้นรู้นำมาสอนให้ผู้อื่นได้รู้เพื่อผู้อื่นที่ยังตกอยู่ในอำนาจของความทุกข์อยู่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ง า, งานนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นงานของของตนเองแล้วเป็นงานเพื่อพูดงานของตนเองนี้ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วสิ้นสุดแล้วงานที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาจนสำเร็จถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีงานอะไรจะต้องทำอีกต่อไปถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้าไม่มี ถ้าอดตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าเจ็บ่ายได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าใจนี้ไม่ทุกข์กับอะไรแล้วใจไม่หลงว่าไปยึดไปติดอะไรต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราอีกแล้วใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้นใจเลยไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตา สรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนอนัตตาว่าไม่มีตัวตนคาว่าไม่มีตัวตนก็คือเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ำลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศนี่คือความต่างของพระพุทธศาสนากับสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้ จบจากสถาบันต่างๆในโลกนี้จบมาแล้วก็ต้องทำงานไปทำไปจนวันตายงานก็ไม่มีหมดทำจนกระทั่งหมดล้าหมดแรงทำไม่ไหวเท่านั้นถึงหยุดทากันแต่ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วมันหยุดเหยียดนาขาดใจความทุกข์มันจะมาเหยียบย่ำจิตใจเวลาอยู่เฉยๆแทนที่จะสุขแทนที่สบาย อยู่เฉยๆไม่ได้กลับต้องหาอะไรทำเพื่อมากำจัดความทุกข์ความหุดหงิดลาคาญใจต่างๆอันนี้คืองานทางโลกต่อให้ทำไปเท่าไหร่ต่อให้ร่ารวยขนาดไหนก็ไม่มีคำ ว, ว่าอิ่มคำ ว, ว่าพอได้มากน้อยเพียงไรดูสิไปถามมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกว่าตอนนี้คุณหยุดทำงานได้หรือ ย, ยัง งานที่คุณมีอยู่นี่กินไปอีกร้อยชาติมันก็กินไม่หมดแล้วคุณจะไปทำหาอะไรก็ทำเพื่อกําจัดความหงุดหงิดนำคาญใจนี่แต่การทำงานเพื่อกําจัดความหงุดหงิดนำคาญใจหรือความทุกข์ใจนี้ทำเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดถ้าไม่มาทำงานของทางพระพุทธศาสนางานของพระงานของทางพระพุทธศาสนานี้ท่านั้นเป็นงานที่จะสามารถ กำจัดความหงุดหงิดความทุกข์ความลำคาญใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้เวลาที่ไม่มีอะไรจะทํา<ม>เวลาไม่มีอะไรจะทําแทนที่จะหงุดหงิด ก, กับรู้สึกเบาใจสบายใจ<ม>เวลาที่จะต้องทําอะไรกับรู้สึกว่าเป็นภาระถึงแม้ว่าจะไม่ทุกข์กับมันแล้วก็าตามแต่มันก็ยังเป็นภาระมันยังเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่<ม>เช่นร่างกายของพระพุทธเจ้า หลังจากที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ตามพระองค์ก็ยังมีภาระเลี้ยงดูร่างกายอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภาระหะเวปัญจขันธาขันหานี้เป็นภาระอันหนักอย่างยิ่งที่ใจยังต้องแบกต่อไปอยู่เพียงแต่ว่าแบกแบกแ บ, แบไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์กับมันเท่านั้นเองแต่ยังมีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูมัน แล้วยังต้องออกบินทบาตกลับมาก็ต้องขบต้องฉันต้องคอยทำชาระร่างกายคอยอาบน้ำอาบท่าคอยออกกำลังกายคอยทำกายภาพต่างๆให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายนั้นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและถึงแม้ว่าจะทำมากน้อยเพียงไรในที่สุดมันก็ต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วมันก็ต้องตายไปในที่สุดนั่นเองเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าและใจของะ้าหลานทั้งหลายนี้ท่านปล่อยวางร่างกายได้แล้วท่านไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวของท่านท่านดูมันเหมือนกับเป็นดูร่างกายของคนอื่นเวลาที่เราเห็นร่างกายขอ ง, ของคนอื่นเวลาร่างกายของคนอื่นเขาเป็นอะไรไปนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลย ฉันใดพระพุทธเจ้ากับพาระลานตัสสาวกเวลาท่านมองร่างกายของท่านท่านก็มองเหมือนกับเป็นร่างกายของคนอื่น mm hmm. เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวของท่านตัวของท่านคือใจผู้รู้ผู้คิดเพียง mm hmm. แต่ว่ามาครอบครองร่างกายนี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีปัญญาก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้ เป็นตัวของผู้มาครอบของเป็นตัวของผู้รู้ผู้คิดแล้วพอร่างกายเป็นอะไรไปผู้รู้ผู้คิดก็จะทุกข์กับมันทันทีแต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนเห็นได้ด้วยปัญญาอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของท่านร่างกายนี้เป็นเหมือนกับตุ๊กาตาตัวหนึ่งที่ท่านได้รับมาจากพ่อแม่ เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆท่านนั้นเองท่านก็ไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่ายึดติดก็เราจะทุกข์เพราะว่าในที่สุดวันใดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องมีวันสิ้นสุดหนไม่สามารถอยู่คู่ไปกับใจได้ตลอดใจถึงแม้ว่าจะมีภาระกับร่างกายคือต้องแบกภาระเลี้ยงดูร่างกายแต่ก็เลี้ยงดูแบบเลี้ยงดูคนอื่น เหมือนกับเลี้ยงดูสุนัขตัวหนึ่งเลี้ยงมันไปมันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันตายก็ก็จบกันเท่านั้นเองคนเลี้ยงดูไม่ได้ตายไปกับสุนัขใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของท่านนี้แยกออกจากร่างกายได้ไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวของท่านท่านก็เลยไม่ทุกข์ แต่ในขณะที่มันยังไม่สิ้นสุดในขณะที่ร่างกายมันยังไม่ตายมันก็เลยกลายเป็นภาระของใจที่ยังต้องเลี้ยงดูมันอยู่ต่อไป<ส>เพื่อจะได้เอาร่างกายมาทำคุณประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกนั่นเองเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าตัดสินใจไม่เลี้ยงดูร่างกายปล่อยให้ร่างกายมันเฉาไปก็มันก็จะอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่กินไม่ดื่มน้า ปล่อยให้มันอยู่ของมันไปไม่เกินเจ็ดวันสิบวันมันก็ต้องตายไปแต่เนื่องจากว่าพราะองค์นั้นทรงเห็นเห็นความทุกข์ของสารโลกอย่างพวกเรานี้ยังติดอยู่ในความทุกข์อยู่และจะทุ่มทุกข์ไปเรื่อยๆเป็นเวลาอันยาวนานความทุกข์ของพวกเรานี้มันทุกมาหลายภพหลายชาติด้วยกัน เพราะว่าใจของพวกเราก็เหมือนใจของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเราแต่ใจของเรานี่ต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆและทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลาดพาจากกันพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าความทุกข์ของเรานี้ ถ้าวัดด้วยน้ำตาปริมาณของน้ำตาที่เราหลัง่งเนี่ยเราหลั่งน้ำตาทุกครั้งที่เราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันเนี่ยท่านบอกว่ามันมีมากยิ่งกว่าน้าในหมหาสมุทรที่คิด <Yeah. S 1> ดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันกี่รอบด้วยกันเพื่อจะได้หลั่งน้าตา ให้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นหละคือความทุกข์ของพวกเราของสัรโลกทั้งปวงที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจะได้ทุกข์กันมาในขณะนั้นแล้วได้จะทุกข์ต่อไปอีกอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสั้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ แล้วนำเอาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีให้ได้รู้จักวิธีแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าคนนอันนี้แหละเป็นเหตุทำให้พระพุทธเจ้ายังยังต้องรักษาธาตุขันของท่านไว้ต่อไปเลี้ยงดูธาตุขัน ต้องออกบินทบาททุกวันเพื่อที่จะได้เอาอาหารมาเยียวยาร่างกายแต่ท่านไม่ได้ทําเพื่อใจของท่านเลยใจของท่านนิ่สมบูรณ์เต็มร้อยเต็มเต็มเปี่ยมความสุขเต็มเปี่ยมเต็มร้อยไม่สามารถที่จะเพิ่มให้มันมากไปกว่านั้นได้แต่ทําไปเพื่อช่วยเหลือพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่นี้ให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์กันให้เรา ไม่ต้องกลับมาเวียน่หวตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ ค, ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันอีกต่อไปพระพุทธเจ้าเลยต้องแบกขันพาราฮาเวเปัญจขันธาขันห้านี่เป็นของที่หนักมากถึงแม้ว่าจะไม่ทุกข์ <c oughs> กับมันก็ยังต้องแบกมันอยู่ต้องทำภา <c oughs> รกิจเลี้ยงดูมันอยู่ต้องกินต้องเดินต้องหายใจต้องอาบน้ำอาบท่า <c oughs> ต้องมีการออกกำลังกายอะไรต่างๆเพื่อดูแลแล้วก็ต้องคอยรักษาพยาบาลเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยคือดูถึงความเสียสละของพระพุทธเจ้ากับพาาระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วกิจของท่านสมบูรณ์แล้ววุสิตังบรมเจริงกิจในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงกิจที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะความทุกข์ทั้งหลายได้ถูกกาจัดไปหมดสิ้นไปจากใจแล้ว<ม>แต่เนื่องจากร่างกายนี้มันยังอยู่มันยังไม่ตายและมันสามารถนามาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าและพระหลานทั้งสาวกทั้งหลายก็เลยต้องอุทิศชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นี้ให้กับการช่วยเหลือสรรโลกอย่างพวกเราทั้งหลาย ให้ได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่แหละคือที่มาของพระพุทธศาสนามาจากขั้นต้นก็คือมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วพระ อ, องค์ก็ทรง เห็นว่ายังมีเวลาเหลือของชีวิตยังเหลืออยู่อีกหลายปีสามารถทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็เลยทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนประกาศพระศาสนาขึ้นมาแสดงธรรมเอาธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นมาสอนให้แก่ผู้ที่ ใม่รู้และอยากจะรู้และอยากจะหลุดพน้นจากความทุกข์เบื้องต้นก็สอนพระปัญญาวิเคราะห์ทั้งห้าพระปัญญาวิเคราะห์นี้ก็เป็นเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่สุดของพระพุทธเจ้าแต่ต้องแยกทางกันเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันในแนวทางของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวทางจากการทรมานตนเพื่อให้ชนะความทุกข์เพื่อดับความทุกข์ แต่การทรมารร่างกายด้วยการอดพระกายอาหารนี้ไม่ได้ไปทำให้ความทุกข์ในใจหมดสิ้นไปได mm. ้องเลยต้องปรับแนวทางของการปฏิบัติจากการอดอาหารกลับมารับประทานอาหารเป็นปกติแล้วก็มาพัาเพญทางจิตใจแทนมากำจัดความทุกข์เพราะทรงเห็นว่าความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจ ด้วยการบาเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนกระทั่งสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แต่ในช่วงที่มีความเห็นต่างกันนี้พัทปัญจวัคคีย์ที่ติดตามพระพุทธเจ้าก็ขอแยกตัวไปเสื่อมศรัทธาขอแยกตัวไปไม่ขอติดตามไม่ขอศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วเพราะว่ามีความคิดที่ต่างกัน เพราะคิดว่าแนวทางที่ถูกต้องนี้ต้องทรมานนั่งกายถึงแม้จะตายก็ต้องยอมตายให้ได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ทางก็เลยมีการแยกทางกันแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุใได้ค้นพบวิธีดับความทุกข์ด้วยการปฏิบัติสมถวิปัสสนาภาวนาแล้ว ก็คิดถึงพระปัญจวคีเพราะคิดว่าเป็นผู้ที่จะเรียนรู้ได้รวดเร็วและปฏิบัติได้อย่างง่ายได้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังก็มีโอกาสที่จะบรรลุได้ก็เลยไปโปรดพระปัญจวคีไปแสดงธรรมครั้งแรกให้กับโลกให้ให้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ คือตอนต้นธรรมะที่พระุทธเจ้าทรงตัดสรรนี้มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ายังไม่มีใครเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไม่มีใครรู้แนวทางของการหลุดพ้นอยากของอยากความทุกข์ว่าให้ต้องปฏิบัติกันอย่างไรไม่มีใครรู้ธรรมยังอยู่ในใจตอนที่พุทธเจ้าทรงตัดสโ ร, รในวันเพ็ญเดือนหเมื่อสองพันก้อยกับสิบปีมาแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ย มีอายุประมาณ 2,610 ปีนับตั้งแต่วันตัดชลุของพระพุทธเจ้ามานี้พระพุทธเจ้าตัดชลุ45ปีก่อนพุทธศักราชเราต้องเอา45บวกกับปีของปีนี้ 2,565 2,565 บวกกับ45ก็จะได้ 2,610 ปีนี่คืออายุของพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้จะเป็นพระพุทธศาสนาด้านี้จะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญสมองค์ปรากฏขึ้นมาก็คือต้องมีพระพุทธเจ้าต้องมีพระธรรมคําสอนและมีพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ศึกษาจนบรรลุจนสําเร็จการศึกษาอางั้นวันที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ที่เรียกว่าวันอาสาฬหาบูชาวันเพ็ญเดือนแปนี้พระพุทธเจา<ม>้าก็เลยมาสอนพระปัญจวคีห้ารูปแล้วหลังจากที่ทรงสแสดงธรรมเสร็จทรงสแสดงมรรคแปนี้เองทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะหลุดพ้นได้จะต้องเจริญมรรคแสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมา สังกปรความตําเหชอบหรือความคิดชอบสัมมากรรมโตการกระทําชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวาญโมวความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกรู้ชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบถ้ามีมรรคแปดครบโอกแล้วผู้ปฏิบัติก็จะสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พอ mm hmm. หลังจากที่ทรงแสดงธรรมอันนี้เสร็จหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมสามารถกำจัดความทุกข์ในระดับขั้นที่หนึ่งคือสำเร็จขั้นพระโสดาบันได้ mm hmm. เพียงแต่ได้ยินได้ฟังธรรมจนเกิดความเข้าอกเข้าใจ mm hmm. ก็สามารถกาจัดความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้ ความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายที่เคยทุกมาอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วที่ทรงสอนว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเรานา่งกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พระโสดาบันคือเข้าใจหลักธรรมแบบนี้อย่างในพระปัญจวคีก็ถือว่าสําเร็จเป็นบันเด็ขั้นที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันพอได้เป็นพระโสดาบันก็เลยทําให้มีองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีทําไมต้องมีทั้งสามองค์ถึงจะถือว่าเป็นความสําเร็จเป็นการก่อตั้งพระพุทธศาสนา เพราะว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่มีใครมาศึกษาไม่มีใครมาเรียนรู้เนี่ยก็จะไม่มีใครสําเร็จแล้วก็จะไม่มีใครสามารถสืบทออพร ะ, พระาศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าได้หลังจากพระพุทธเจ้าตายไปถ้าไม่มีพระอหรหันตสาวกมาทําหน้าที่ตอบต่อจากพระพุทธเจ้าเ<ม>พราะตามคําสอนก็จะหายไปจากโลกนี้ ก็จะไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ได้อยู่นั่นเองจึงจําเป็นต้องมีสมองค์ด้วยกันเพราะพุทธเจ้าเป็นองค์ก่อตั้งเป็นองค์ที่ส่งค้นพบทางสู่การหลุดพ้นพระธรรมคาสอนเป็นคําสอนที่จะสอนให้รู้ว่าวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นต้องทําอย่างไรและพอทีมีผู้มาศึกษาได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติ จนสามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ถึงขั้นสูงสุดได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาได้พระอรหันตสาวกก็จะได้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเผยแผ่คําสั่งคําสอนให้กับพระพุทธเจ้าต่อไปนั่นเองศาสนาจะเจริญจะขยายตัวออกมาได้ก็ต้องมีครูเยอะๆถ้ามีครูเยอะก็จะมีลูกศิษย์ปเปรียนกันเยอะถ้ามีครูคนเดียวนี่ ก็สอนสอนไม่ได้เยอะเท่ากับครูหลายๆคนแล้วถ้าครูคนเดียวตายไปศาสนาก็จะจบลงทันทีแต่ถ้ามีครูหลายๆคนมาช่วยสอนกันครูที่แก่ตายไปก็ยังมีครูที่หนุ่มที่ยังจะอยู่ต่อไปก็เลยมีการเผยแผ่ธรรมะจากด้วยพระอรหันต์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็มีพระอรหันต์ตถาคกผู้ที่ได้ศึกษา ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มาทําหน้าที่ช่วยสั่งสอนกันอีกทอดหนึ่งแล้วผู้ที่มาศึกษาพอมาศึกษาจนกระทั่งบรรลุก็กลายเป็นพระอรหันต์ก็มานําหน้าที่อีกช่วงหนึ่งก็เลยมีการมีการถ่ายทอดพระธรมอันประเสริฐคือมรรคแปดนี้วิธีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ มีผู้ที่มาคอยรักษาพระธรรมอันนี้ให้อยู่ในโลกต่อไปก็มีการทาอย่างนี้มาจนถึงยุคปัจจุบัน 2,610 ปีแล้วที่มีการเผยแผ่วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบได้ส่งตัดสลุแล้วก็มีการเอามาสั่งมาสอนกัน ผู้ที่เรียนจบก็กลายเป็นอาจารย์ต่อไปและผู้ที่ไปสอนผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องพอผู้ที่ไม่รู้เรื่องได้เรียนรู้ก็จะเรียนจบก็กลายเป็นอาจารย์อีกต่อไปนี่คือวิธีการของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรพระพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้นได้เพราะหนึ่ง มีการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ข้อสำคัญมากถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้จะไม่มีใครรู้จากทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าไปอย่างไรทำอย่างไรต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีคนฉลาดที่สามารถค้นหาทางหลุดพ้นได้ด้วยตนเองเพราะว่าในยุคนั้นในสมัยนั้นไม่มีใครรู้ทางนี้ ไม่มีพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ในอยู่ในในโลกถึงแม้จะเคยมีพระพุทธเจ้ามาเกิดในอดีตแต่ก็เป็นเวลาอันยาวนานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ น, นั้นก็หายจางหายไปจากโลกหมดไปแล้วไม่มีใครได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ถ่ายทอดกันมาถึงยุค ข, ของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ก็ต้องมาศึกษาค้นหาทางสู่การหุดพ้นด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเรานี้จะไม่มีความสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองเลย ต, ต้องเป็นคนที่ฉลาดมากมีบารมีมากคนที่ได้สะสมบารมีที่เรียกว่าบารมีสิบมาอย่างโชคโชนต้องเคยสะสมเมตตาบารมี ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิ ร, ยริยะบารมีและขันติบารมีเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะค้นพบทางอันประเสรฐนี้ได้เราก็โชคดีที่มาเกิดในยุคที่ มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมีเจ้าชายสิทธัตถะผู้มีบารมีสูงส่งเวลาคลอดออกมาจากท้องมันดานี่สามารถเดินได้เจ็ดเก้าเลยพอธรรมดาเด็กคลอดจะต้องนอนอยู่บนแบบาอยู่แต่เด็กคนนี้ไม่นอนเฉยๆลุกขึ้นมาเดินเป็นสิ่งที่มาสรใจฟังแล้วอาจจะไม่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้ แต่ใจที่มีพลังใจที่มีพลังอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีพลังของบาลมีทั้งสิบนี้สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายนี้เดินได้ตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องพระมารดาเลยอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะเรื่องของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้นี้ ต้องมีพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางสู่การหลุดพ้นก่อนเมื่อหลังจากที่ได้ทรงค้นพบมรรคแบบแล้วทางสู่การหลุดพ้นก็มาเปิดโรงเรียนหานักเรียนมาเรียนไปเชิญชวนนักเรียนห้าคนแรกมามาเรียนคือพระปัญจวคีพอสอนเพียงครั้งแรกเท่านั้นเองก็สามารถบรรลุเป็นบัณฑิตขั้นที่หนึ่งได้ทันที เจบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นทรงสอนอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้ทั้งห้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันพร้อมกันทั้งหมดเลยพอได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้แยกทางกันไปเผยแผ่ธรรมกันอย่าไปทิศ ท, ทางเดียวกันให้แยกทางกันไปเพื่อจะได้กระจายความรู้ให้ไปกว้างให้ออกไปอย่างกว้างไกลถ้าไปด้วยกันมันจะกระจุกตัว และมันจะเผยแผ่ไม่ได้มากมายเท่ากับการแยกกันไปเพราะเวลาสั่งเวลาสอนนี่ไม่ต้องสอนพร้อมกันห้าคนสอนกันทีละคนก็ได้สอนทีละคนอย่างห้าคนก็ให้ไปห้าทิศห้าทางกันจะได้ไปสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ได้เรียนรู้จะได้ช่วยให้เขาเพราะบางคนบางคนชีวิตอาจจะจบลงภายในวันสองวันก็ได้เพราะชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไม่มีความแน่นอน จะตายเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นเพื่อความไม่ประมาทต้องรีบเร่งเผยแผ่ธรรมะเพื่อไปช่วยเหลือเหมือนกับเวลาที่คนเกิดอุบัติเหตุนี่รถพยาบาลนี้จะต้องรีบมารับคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วรีบนำไปส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าถ้าช้าไปเพียงนาทีสองนาทีก็อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ก็ได้ฉัในใ้นพวกเรา ที่ยังเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ก็อยู่ภายใต้กฎอันนี้จังที่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเมื่อมีคนที่รู้วิธีการดับทุกข์ว่าทำอย่างไรแล้วก็ควรที่จะคนที่จะมาเผยแผ่สั่งสอนก็ต้องรีบเพราะว่าจะได้ทันกับเวลาเผื่อคนนั้นคนนี้เกิดมีมีอะไรที่จะต้องทำให้ตายไปก่อน แล้วถ้าได้ยินได้ฟังทำก่อนได้บรรลุธรรมก่อนก็จะได้ได้รับการช่วยเหลือจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป <Yes. S 1> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงทรงให้พระสาวกที่ได้เดินจบแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนี้ได้แยกเดินทางกันไปคนละทิศคนละทางไปกันจนกระทั่งมาถึงประเทศสยามเนี่ย ตามประวัติก็มีพระอรหันต์สองลูกเดินทางมาทางประเทศสยามมาเผยแผ่ธรรมะจนในที่สุดมีผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อความเคารพเรื่อมใสก็เลยเรียนรู้กันแล้วก็มีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากตามลำดับอันนี้แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเรา มีความศรัทธามีความเชื่อแต่ขอให้เราเชื่ออย่างด้วยเหตุด้วยผลเชื่อตามหลักความของความเป็นจริงอย่าเชื่อแบบงมงายการเชื่อแบบงมงายนี้ไม่ได้รับประโยชน์ที่พึงจะได้รับคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เชื่อตามหลักของความเป็นจริงให้รู้ว่าศาสนาพุทธนี้เป็นสถาบันการศึกษาเป็นที่มาร่มเรียน วิธีที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปไม่ใช่เป็นที่มาขอดูดวงไม่ใช่เป็นที่มาขอสร ะ, ะเคราะห์ไม่สบายอยากใช้ให้หายก็มาหาพระพุทธศาสนากิจการไม่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจะล้มละลายก็มาหาพระพุทธศาสนา ลูกออกมาอยากจะให้ลูกเป็นคนดีก็มาให้โกนหัวให้ให้ตัดผมให้ชีวิตไม่ค่อยก้าวหน้ารุ่งเรืองก็มาขออาบน้ํามดเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความงมงายมันไม่เกี่ยวกับพวกพุทธศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ทราบว่ามันเข้ามาได้อย่างไรมันแทรกเข้ามาทีเดีวนิดจนกลายเป็นเนื้อหนังของาศาสนาไปอพอใครมาสอนว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของาศาสนาก็จะกลายเป็นคนคนแปลกไป เอ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงศาสนาเขาทานี้กันมาตั้งนานเขาเขาอาบน้ํามนต์กันมาตั้งนานเขามาดูดวง ก, กันที่วัด응เขามาขอหวยขอเลขกันขอพรกันแต่ศาสนาแต่คนนี้มาบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของศาสนาก็เพราะว่าชาวพูดเราส่วนใหญ่นี้ไม่ได้ศึกษากันอย่างแท้จริงนั่นเองเรียนการเรียนตาม ตามปากเปล่าที่เขาเล่ากันมาเขาเล่าว่าอะไม่สบายเลยไปไปวัดไปไปข อ, อน้ํามนต์หน่อยไปดูดวงหน่อยอะไรหน่อยไปไปแก้สะเดาะเเคราะห์หน่อยไปทํานู่นทํานี่หน่อยแล้วดวงจะดีขึ้นอะไรนี้อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของศาสนาเลยมันเลยทําให้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความวิเศษของศาสนากลายเป็นของที่ไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไป เป็นของที่ไม่น่านับถือไม่น่าเชื่อถือไปเนี่ยสมัยนี้เด็กสมัยใหม่มันไม่เชื่อถือศาสนาแล้วนะมันไม่บอกมันบอกไม่อยากจะมีศาสนาเพราะว่าไม่รู้มีศาสนาไว้ทำอะไรพราว่ามันบอกวมันสามารถทามาหากินของมันเองได้เลี้ยงดูตัวมันเองได้ยังเป็นจะต้องมีศาสนาเลยก็เพราะว่ามันไม่ไม่มีใครรู้ล้วเสียว่าศาสนานี้เป็นอะไรกันนะ คิดว่าศาสนาเป็นที่สะดอกกาเป็นที่ดูดวงเป็นที่อาบน้ามูลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีใครนับถือศาสนากันไม่มีเพราะไม่รู้ความเป็นจริงของศาสนาวศาสนานี้เป็นที่รักษาโลกโลกจิตใจนะใครมีศาสนานี้ใครปฏิบัติตามศาสนานี้ได้รับประกันว่าไม่ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนจะไม่มีอาการซึมเศร้า จะไม่มีอาลซารเมอร์ไม่มีความหนงคังลืมอะไรเพราะศาสนานี้จะสอนให้มีสติตลอดเวลาสอนให้ให้จิตมีความสุขตลอดเวลาจะไม่มีความซึมเศร้าจะไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องคิดฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เม่าตอนนี้อาจจะไม่ต้องพึ่งศาสนานเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความทุกข์โดยเฉพาะเวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ สามารถทำอะไรตามความอยากความต้องการได้อยากมีความสุขทางราหูจมูกลิ้นกายก็มีได้อยากจะมีแฟนก็มีได้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็มีได้ในตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ยังสามารถทำอะไรต่างๆได้อยู่ก็เลยไม่เห็นความจำเป็นของาศาสนาว่ามีไว้ทาไมแล้วยิ่งเห็นการปฏิบัติทางาศาสนาว่ามีแต่พิธีกรรมอย่างเดียว ก็เรา ย, ยิ่งทำให้ไม่มีศรัทธาในศาสนานี่เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่สั่งสอนเด็กให้รู้จักว่าศาสานานี้มีหน้าที่อะไรทำอะไรมีไว้ทำไมมีเพื่ออะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่ของเขาสั่งสอนมาปู่ย่าตายายเขาก็ไม่ได้สั่งสอนให้เขารู้ว่าพระพุทธศาสานานี้มีหน้าที่ทำอะไรกันหนะ่ ก็เลยทําปฏิบัติทําอะารการมาตามธรรมเนียมตามมาเพนีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับการทําหน้าที่ของศาสนาพุทธเลยศาสนาพุทธ น, นี้มีหน้าที่สั่งสอนแล้วค่ะให้ไปปฏิบัติเพื่อจะได้กาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดซึ่งไปจากใจถ้าสามารถกาจัดความทุกข์ได้แล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขตลอดเวลา จะไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาเหยียบย่มจิตใจเลย<ม>จะไม่ต้องคิดค่าตัวตาย<ม>แต่ไม่ต้องออไม่มีความอาการซึมเศร้าจะไม่มีเอาซาเนอร์อะไรต่างๆ<ม>เพราะนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้ามีศาสนาถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วใจจะ ม, ม, มีมีภูมิคุ้มกัน<ม>โลกที่มีกันอยู่ในยุคนี้คนที่เป็น พวกโลกพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่มีศาสนากันพวกที่ฆ่าตัวตายกันนี้มักจะเป็นพวกที่ไม่มีศาสนาโรกที่มีอาการซึมเศร้ารื่งยาเสพติดต่างๆนีเป็นพวกที่ไม่มีศาสนาพวกที่มีอัลซามาร์ก็ไม่มีศาสนากันหรือถ้ามีก็มีแบบแบบงมงายกันไม่ได้มีแบบปฏิบัติไม่มีแบบการศึกษาและปฏิบัติกันจึงไม่สาม ศาสนาจึงไม่สามารถคุ้มครองจิตใจของเขาได้ดังนั้นพวกเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องให้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีไว้เพื่อช่วยกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปและวิธีที่จะกําจัดความทุกข์นี้ก็ต้องทําตามที่พระเจ้าได้ทรงกระทํามาและนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราซึ่ง สรุปได้สามข้อใหญ่ๆด้วยกันซึ่งมันก็อยู่ในมรรคแปดนี้แหละแต่เวลามาแสดงให้เกิดความเข้าใจแบบง่ายๆก็แบ่งเป็นสาหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงเพราะการกระทําบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ใช่เป็นการกําจัดความทุกข์ใจเหมือนเหมือนกับคนที่เข้าใจผิดคนที่มีโมหะความหลงครอบงามจิตใจนี้จะเข้าใจผิด จะคิดว่าเวลามีความทุกข์ใจแล้วไปทำบาปแล้วจะทำให้ความทุกข์ใจหายไปเช่นทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้ก็เลยไปป้นธนาคารไปจี้ร้านทองแล้วพอได้เงินทองมาแล้วจะได้เอาไปใช้ดับความทุกข์ใจได้แต่มันดับได้เดียวเดียวแล้วมันก็ผลิตความทุกข์ใหม่ขึ้นมาคือต้องคอยหลบหนีเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วอาจจะถูกจับเข้าไปติดคุกติดตาราง ไปสร้างความทุกข์ใหม่ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าการทำบาปนี้จะช่วยกำจัดความทุกข์ของตนได้อันนี้เพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนานั่นเองดังนั้นต้องมาศึกษาว่าพระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำอะไรบ้างในการกำจัดความทุกข์ข้อที่หนึ่งก็คือให้เรากาจัดความทุกข์ด้วยการไม่กระทำบาปและไม่เสพอบายามุขต่าง เพราะอาบายามุกต่างๆนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทําบาปต่อไปถ้าไปดื่มสุรายาเมาเดี๋ยวมึนเมาขึ้นมาไปขับรถชนคนนี้ตายได้หรือว่าถ้าเกิดอาการมึนเมาก็าะจะไปทําบาปข้ออื่นได้เพราะเวลาเมาแล้วจะไม่มีความยางอายจะไม่มีความกลัวผลของบาป ท, ที่จะตามมาจึางต้องพยายามอย่าดื่มสุราเพราะจะทําให้เสียสติหมดสติ เราจะกล้าทําในสิ่งที่ไม่ควรจะกระทําทหรือถ้าไปเล่นการพนันเดี๋ยวเงินหมดก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นต่อหรือไปเที่ยวใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยซื้อข้าวซื้อของโดยที่ไม่จมําเป็นจะต้องซื้อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อหาความสุขแต่ใช้ไปเดี๋ยวเงินมันก็หมดพอเงินมันหมดก็ต้องหาเงินโดยวิธีมิชอบมีการหลอกลวงกันแชร์แม่แชรม้อยแชร์อะไรต่างๆ เป็นวิธีการของคนที่ต้องการหาเงินง่ายๆเร็วๆ เ, เพราะว่าเงินหมดเพราะว่าชอบใช้เงินใช้เงินเก่งใช้เงินกับการไปเที่ยวใช้เงินกับการใช้ของหรูหราอะไรต่างๆเพราะเจ้าจาึงสอนว่าอย่าทำกิจกรรมเหล่านี้อย่าเสพอบายามุขเนี่ยว่าอบายามุขจะพาให้ไปสู่การกระทาบาปต่อไปพอทาบาปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆทำมา นี่คือข้อที่หนึ่งอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดโกโหกหลอกลวงอย่าเดิมุราอย่าเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอย่าเสพติดที่ทำให้เกิดอาการหเหมือนเงาทั้งหลายอย่าไปเสพมัน <Yeah. S 1> แล้วข้อที่สองก็คือถ้าอยากจะมีความสุขก็ให้มีความสุขด้วยการทำบุญชนิดต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าเรามีเงินทาบุญก็เอาเงินไปทาบุญ ถ้าเราไม่มีเงินมีวิชาความรู้เอาวิชาความรู้ไปสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บเงินเก็บทองเขาหรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างมีร่างกายที่แข็งแรงก็ไปทํางานเป็นอาสาสมัครต่างๆกับบุญนิธิต่างๆมุญนิธิปอเทคซึ่งร่วมกระตันยูไปช่วยกันช่วยกันกู้ภัยต่างๆอย่างนี้ทําแล้วก็จะมีความสุขใจ ดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเดี๋ยวใช้แล้วก็หมดหมดแล้วก็เครียดไม่มีเงินใช้แต่การไปทำบุญทำคุณประโยชน์นี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากทำแล้วก็มีความสุข น, น, นี่คือประการที่สองพระเจ้าทรงสอนว่าให้เราทำบุญกันทำทำบุญชนิดต่างๆทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมพร้อมที่จะทบุญอันไหนก็ทาไป ทำบุญด้วยความกระตันอยู่ก็ได้ตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณ mm. เช่นบิดามารดา mm. พ่อแม่แก่ชราต้องการคนช่วยเหลือดูแล mm. ก็มามาดูแลท่าน mm. แล้วก็ช่วยเหลือท่านท่านต้องการอะไรก็หามาให้ท่านให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขดีการไปหาความสุขด้วยการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ เราทอดทิ้งให้บิดามารดาไม่มีใครดูแลอันนี้ถือว่าเป็นเป็นความอักตัญอยู่เป็นความไม่มีกระตัญอยู่ซึ่งไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนดีจะพึงกระทากันคนดีคนที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกนี้จะต้องช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นในยางที่สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณกับตนเองอย่างบิดามารดาครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ ท่านมีพระคุณกับลูกๆมากท่านบอกว่าทําบุญกับพ่อกับแม่นี้ถือว่าได้ทําบุญกับพระอารหันต์เลยเพราะพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระอารหันต์ของลูกๆที่ลูกควรที่จะคอยดูแลเลี้ยงดูร <c oughs> ับใช้ให้พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขจะได้ความสุขมากกว่าการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเสียด้วยซ้ําไป <c oughs> น, นี่คือข้อที่สองของการที่เราจะ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต้องกำจัดด้วยการทำบุญชนิดต่างๆแล้วข้อที่สวิธีกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจก็คือการชำระสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่มีอะไรเหล่าที่มาทำให้ใจเราเศร้าทำมาให้ใจเราทุกข์ ไม่ใช่คนนั้นคนนี้ไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่โรคภัยไค่เจ็บโควิด19นี้านี้ของเหล่านี้มันไม่สามารถมาทำใจให้เราทุกข์ได้หละสิ่งที่มันสิ่งที่ทำใจให้เราทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงของเราต่างหาถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วโลกนี้จะเป็นอะไรจะเจริญหรือจะเสื่อมนะจะมีโรคภัยระบาดจะมีสงครามหรือไม่มันจะไม่ทาให้ใจของผู้ที่ไม่มีกิเลส มีความทุกข์ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่จะที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงก็มีวิธีกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้วิธีที่จะกาจัดก็คือวิธีภาวนาหรือปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องปฏิบัติแบบนักบวชนะคือย่างน้อยต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนเวลาทําใจให้สงบก็หยุดความโลคความโกรธความหลงได้ชั่วคราวแล้วก็เป็นการตัดกําลังของความโลคความโกรธความหลงให้เบาบางลงให้น้อยลงแล้วพอมัน ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปทำตามความโลภอย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่เราโลภเราอยากนี้มันไม่ใช่เป็นความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์<ม>เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนไปให ม, ม, ม่ๆม่อาจจะให้ความสุขกับเราแต่อยู่ไปอยู่ไปได้ททำไมความสุขที่มันเคยให้มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่เชื่อไปถามคนที่แต่งงานดูเลย คนที่แต่งงานใหม่ๆนี่หวานเหมือนกับน้ําพึ่งเลยพออยู่ไปอยู่ไปให้ทำไมน้ําพึ่งมันหายไปกลายเป็นยาขมขึ้นมาก็ไม่รู้นั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาได้มาใหม่ๆนี่มันเหมือนกับมันให้ความสุขกับเราแต่พออยู่ไปอยู่ไปให้มันค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นของก็เหมือนกันรถยนต์นี่ซื้อมาใหม่ๆก็ดีไปหมดใช้ได้ดี แต่ไปไหนมาเมื่อไหไร่ชะตาร์ดเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีอย่ใช่ไปใช่ไปต่อไปเอ๊ะทําไมสตาร์ดรถไม่ติดใช่ไหมบอดปุ่มกดปุ่มนั่นมันไม่ทํางานใช่ไหมกดปุ่มนี้มันไม่ทํางานก็เพราะว่ามันเปลี่ยนมันนิจจงมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้พยายามมองให้เห็นความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เราทุกข์เราต้องการกําจัดความทุกข์ เมื่อเราต้องการกาจัดความทุกข์เราก็อย่าไปเอามันสิถ้ามันรู้ว่ามันจะทําให้เราทุกข์เราก็อย่าไปเอามันการไม่มีมันไม่ตายหรอกเราอยู่กันนี้สิ่งที่เราต้องเป็นจะต้องมีก็แค่ปัจจัยสี่เท่นั้นเองมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคนี้ก็พอแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องมีนอกนั้นไม่จําเป็นนอกนั้นเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์ทั้งนั้นงั้นอย่าไปมีอะไรพยายามมีให้น้อยที่สุดพระเจ้บเาบอกมักน้อยสันโดษดีที่สุด มีในสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีสิ่งที่ไม่จําเป็นอย่าไปหลงคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเรามันจะให้ความทุกข์กับเราทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เที่ยงใหม่ๆมันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พออยู่ไปอยู่ไปใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้ววันดีไม่ดีวันดีคือดีมันก็จากเราไปก็ได้หายไปก็ได้ซื้อรถมาใหม่ๆดีไม่ดีถูกขโมยไปก็ได้ไปจอดเผลอไว้ไหนอโดนเขาเอาไปซะ พอได้รถหมายมาไม่กี่วันรถถูกขโมยไปรู้สึกสุขดีใจั้มรู้งี้ไม่ซื้อมาดีกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราไม่คิดกันอย่างถ้าเราอยากจะกาจัดความโลภความอยากความโกรธทั้งหลายนี้ต้องกาจัดที่ความหลงอย่าไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราให้มองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เพราะมันไม่ใช่เป็นของที่เราจะควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลานั่นเองคือให้เห็นใจรักษณ์ในสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็ น, นอนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่มีความหลงก็จะไม่มีความโลภเมื่อมีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธที่โกรธเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอยากได้แล้ ว, ลวไม่ได้ก็โกรธพอไม่มีความโลภความอยากได้อะไรแล้วก็จะไม่โกรธใครนี่ ความโลภความโกรธก็จะหมดไปเพราะเรากำจัดที่ความหลงความหลงก็คือการไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆพอเรามีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะไม่มีความโลภความอยากได้ต่อไปถ้าเรากำจัดความโลภความอยากหมดไปจากใจได้แล้วความทุกข์ก็จะไม่มีอีกต่อไปและการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีอีกต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน นี่แหละคือหน้าที่ของพระพุทธศาสนาเพื่อพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารววหาปุราปริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุ ป, ปกาปปติ ยิชีตังปะิี่ตังสุนหังคิปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุริตุสังกปาจันโทปนะราโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนศสีฤิษะนิจังวุธาปจายโนจจตารธรรมวัทาติอายุวันโสุขังภาลาังลาดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวก ต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำต่อนั้นใครอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามจะมาถามเองก็ได้เข้ามาที่ข้างหน้านี้มีไมโครโฟนให้พูดหรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางย t u b e ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เมวานนี้ไม่ได้เซฟไวเ้เวลาปิดมันเลยหายไปเลย Facebook พระอาจารย์475 y o u t u พระสุชาติไลฟ์248 y o u t u ด็อกตอร์วีช107วิทยุออนไลน์11 Clubhouse 12หน้ากุฏิ131รวม984ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญนา่นได้เลยคุณพงศักดิ์ การทำบุญทำได้ชาติมนุษย์ชาติเดียวหรือครับชาตินี้ยังไม่ทำกันเลยยังไม่กังวลเกัวชาติอื่นทําไ ม, มทำให้มันได้ชาตินี้ก่อนเถิด <c oughs> คุณถาปกรณ์สำหรับผู้ที่เริ่มพิจารณาอสุภะพระอาจารย์มีแนวทางแนะนําอย่างไรครับก็ให้ดูว่ามันไม่สวยงามไลยครับอสุภะก็ไม่สวยงาม แต่าไปมองที่สวนนี่มันสวยงามอย่าไปมองที่หน้าตาเขามองก้นเขามั่งก็ได้มองเขามองเขาไปข้างในเขามั่งก็ได้เนี่ยมองดูโครงกระดูกมองปอดตับไตไส้พุงอะไรต่างดูออสุภาพแล้วดูตอนที่เขาตายก็ได้ดูตอนที่เป็นแ้มันสวยเวลาดูคนตายเนี่ยพระพุทเจ้าให้ไปดูมีภาพรูปหนึ่งพิจารณาสุภาพไม่เป็นก็จะบอกให้ไปดูพอดีมีโศภีนีมีชื่อเสียงตายไป ก็เลยให้ไปดูศพของโสเปนีพอเห็นแล้วทีนี้ก็เลยตรงได้เลยจากผู้รฟังหน้ากุติค่ะ สามีเป็นคนพาลขี้โมโหใจร้อนอยู่ด้วยกันมานานกว่าส0สิปีเวลาห่างกันก็เป็นห่วงกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็จะพาลหงุดหงิดทำอะไรก็ไม่ถูกใจอย่างนี้เรียกว่าเจ้ากรามนายเวรหรือไม่คะและจะทำอย่างไรต่อไปคะเรียกว่าความอยากมากกว่ายังอยากอยู่ว่าเขาอยู่ <laughs> คุณมนตรี มรณานุสติเมื่อพิจารณาระลึกได้จนเป็นอัตโนมัติแล้วจะดําเนินต่อไปอย่างไรครับก็บวชเลยถ้าเห็นมรณานุสติตลอดเวลาก็ไม่จะอยู่ไปทํำไม <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องตายแล้วก็ไปบวชนะครับพระเจ้าก็เห็นทูตสี่เทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชนะก็เลยไปบวช <c oughs> คุณแดงเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะทรมนุบำรุงพระศาสนาด้วยวิธีอย่างไรได้บ้างเจ้าคะก็ทำตามหน้าที่มีสามขั้นตอนทานศีลภาวนาที่คือวิธีบำรุงพระพุทธศาสนาถ้ามีวัดใกล้บ้านต้องมีผ้ามาบินจาบายก็ใส่บาทกันแล้วก็รักษาศีลห้าศีลแปด ถ้าก็ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราเพราะว่าจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไปแล้วพอบรรลุธรรมก็จะได้มาทําหน้าที่เผยแผ่ธรรมให้กับผู้ต่อไปคุณภูวนาถสัมมาทิาจิในข้อที่ว่าโอปาปฏิกะมีนั้น ทำอย่างไรถึงจะเห็นว่าโอปปัติกะมีครับท่านไม่ได้สอนให้มีไม่รู้ไม่มีให้ให้รู้ว่าจิตไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปจิตก็ไปเกิดต่อไปไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆถ้าต้องการจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ปฏิบัติทานสิงภาวนาไปเท่นั้นเอคุณพุโทโธมชิมาปฏิปทา ตอนนั่งสมาธิเขาชอบคิดจิตไม่สงบนิ่งสงบไม่ได้นานเท่าไหร่บางที 3-4 ถึงนาทีพอละคราวนี้จิตผมเลยกลัวทำผิดวิธีครับเพราะไม่เคยฝึกมาก่อนเลยหัดทำเฉยๆเองจะทำไงต่อดีครับก็ต้อ ง, งหมันหยุดความคิดทั้งวันทั้งคืน อย่ามาหยุดแค่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเองกาลังมันไม่ไม่มากพอที่จะหยุดได้นานแต่ถ้าเรามันหยุดทั้งวันทั้งคืนตั้แต่ลืมตาขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดเลยพอมันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ค่ะมันคิดที่พุโทโธแทนพุโทโธพุโทโธไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งได้นานเพราะเราหยุดความคิดได้มากคุณชิสนุพงศ์บุญจากการภาวนาจะได้เมื่อไหร่ครับ อะไรนะบุญที่ได้จากการภาวนาจะได้เมื่อไรครับได้เมื่อจิตสงบถ้าจิตสงบก็จะได้ความสุขความสุขใจเ็าเรียกว่าบุญเองคุณาการบริกรรมพุทโธต้องบริกรรมตลอดเวลาหรือเฉพาะเวลาที่จิตเกิดความคิดฟุ้งซ่านคะ ถ้าใหม่ๆยังไม่เคยฝึกก็บริกรรมไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดไม่ใช่จะมารอบริกรรมตอนที่มันฟุ้งซ่านตอนนั้นมันก็สายไปแล้วเหมือนกับน้ำเนี่ยเราต้องพยายามสะสมน้ำดับไฟไว้เยอะๆพอเวลาไฟลุกเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่ ง, งหาน้าว่าน้ำอยู่ที่ไหนไว้มีน้ำอยู่พร้อมที่จะใช้ลดดับไฟได้ดังั้นการการจเจริญสติหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆนี่เป็นการเหมือนกับการ การเตรียมน้ําไว้ดับไฟคือความคิดฟุ้งซ่านต่างๆพอเจิดความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก็เพีงแต่พุโทโธไปสองสามคำมันก็หยุดแล้วแต่ถ้าไม่เคยฝึกไว้ก่อนนี่พอมันฟุ้งซ่านมันนึกไม่ถึงพุโทโธแล้วมันไปหลงติดอยู่กับเรื่องฟุ้งซ่านนั่นนะคิดไปทั้งวันทั้งคืนลืมเรื่องพุโทโธที่จะมาดับความคิดฟุ้งซ่า น, นคุณศสิธร ทำไมยิ่งทําบุญยิ่งปฏิบัติยิ่งเข้าหาธรรมะมากเท่าไหร่เหมือนว่ายิ่งเห็นทุกข์มากยิ่งมีสิ่งเข้ามารุมเร้ามากบางครั้งทําให้รู้สึกเหนื่อยเบื่อหน่ายหนูต้องทําอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะก็ ป, ะปฏิบัติยังไม่ถึงที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลมันก็เลยทุกข์พอเริ่มได้ผลแล้วความทุกข์มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆใหม่ๆต้องทุกข์หน่อยถึงต้องอดทนผู้ที่จะปฏิบัติทำ นี่ต้องอดทนทนต่อความทุกข์ที่มันจะคอยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันไปเที่ยวไม่ได้ไงไปกินไปดื่มไม่ไดไ้เวลาไม่ปฏิบัตินี้มันไม่ทุกข์เพราะมันมีของดับทุกข์อยู่เรื่อยๆหรืออยากจะดูก็ได้ดูอยากจะฟังก็ได้ฟังอยากจะกินอยากจะดื่มก็ได้กินได้ดื่มมันทุกข์ก็เลยไม่เกิดเพราะว่ามีวิธีดับและเป็นการดับแบบแบบชั่วคราว และเป็นแบบที่จะทําให้ทุกเกิดมากขึ้นต่อไปดังั้นแต่เวลาที่เราปฏิบัติเราฝืนความทุกข์ฝืนความอยากมันก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติจนถึงขีดที่เราหยุดความอยากได้ตอนนั้นเราก็จะโน่งออกโล่งใจขึ้นมาเวลาใจสงบจะสติจากสมาธิชั่วคราวในรู้สึกเหมือนหยาดยกภูเขาออกจาก อ, อกไปเลยแล้วต่อไปมันอยากจะปฏิบัติแล้วทีนี้มันรู้แล้วว่า ถึงแม้จะทุกข์ขนาดไหนเวลาที่ดับความทุกข์ด้านนี้มมันรู้สึกคุ้มค่าเลยแล้วไม่เหมือนเป็วิธีดับทุกข์ที่ทําให้ทุกข์ต่างๆนี้มันไม่กลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดก็น้อยลงหรือเบาลงไม่เหมือนกับวิธีที่เราไปใช้ดับด้วยการไปเที่ยวไปกินไ ป, นไปดืม่มเวลามันหมดแล้วนี่มันยิ่งทุกข์ขึ้นมาใหญ่อยากจะเที่ยวมากขึ้นอยากจะกินอยากจะดื่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินไม่ได้ดื่มขึ้นมาบางทีก็จะทุกข์มากเลย นทิพย์ก่อนจะนั่งสมาธิผมจะกราบคุณพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็ต่อด้วยนะโมทสสะสามจบแล้วท่องอิติปิโสจบแล้วจะนั่งสมาธิโดยกล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ช่วยมาบรรดานใจให้ข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิ พุโทโธทำโมสังโคสามจบแล้วก็พุโทโธยาวถูกวิธีไหมครับแล้วจะเดินจงกรมต่อได้ไหมครับไม่ต้องมากเรื่องจะดีกว่าขออย่างเดียวขอคําเดียวขอให้มีสติตลอดเวลาก็อ mm hmm. พอพอเราต้องการสติเพียงอย่างเดียวนะั้นที่จะทําทให้การนั่งการปฏิบัติของเราสําเร็จรุ่งเรืองไปได้อย่างอื่นนี้ไม่ไม่สำคัญไม่เป็นประเด็นสําคัญนะเสียเวลาเปล่า คุณกายาเทวาเมื่อภาวนายิ่งมากขึ้นเห็นปัญหามากขึ้นยากขึ้นบางคนบอกว่าเวรกรรมตามทันแต่ใจลึกๆรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเสมือนคนไม่มีความรู้สึกเลยไม่แน่ใจว่าใจแข็งกระด้างหรือเปล่าเจ้าคะแข็งกระด้างกับความทุกข์ก็ไม่เป็นไรนอย่างนัต้องแข็งกับความทุกข์อย่าไปอ่อนแอกับความทุกข์ ความทุกมาเท่าไหร่ก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนนี่ถือว่าดีไม่เสียหายคุณวราคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บุญบาปมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายไปก็ไม่รับรู้อะไรแล้วคนที่พูดจะมีผลเป็นอย่างไรหรือไม่เจ้าคะเก็เหมือนคนตาบอดเนาะไม่รู้ว่าตรงนี้มีต้นไม้หรือเปล่ามีคนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า ก็พูดไปตามความของคนตาบอดไปก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่คนที่เชื่อจากคนที่รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าตายไปแล้วมีไปเกิดเดกเวียนว่ายตายเกิดทำบาป ก, ก็ไปนรกทำบุญก็ไปสวรรค์นี่มีจริงเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนี้มันก็จะได้รับประโยชน์เพราะว่านารกไม่ใช่เป็นที่มีใครอยากจะไปกันมีแ่จะอยากจะไปสวรรค์กัน เราก็จะได้ระ ง, งับการบรรกด้วยการไม่ทําบาปแล้วก็ส่งใจให้เราไปสวรรค์ด้วยการทําบุญได้อันนี้เป็นเรื่องของของคนตาบอดคนตาบอดถ้าไม่เชื่อใครก็ต้องเดินไปเองแล้วเดินไปชนนั่นชนนี้ตกลุมตกบอ่อก็ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แต่ถ้าเชื่อคนตาดีให้ขอพานําทางไปมันก็ปลอดภัยกว่า คนตาบอดถึงแม้จะหาคนพาไม่ได้ยังหาหมาไปก็ยกังนดะีหมามันยังมีตาหมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมคุณตาเชิงอยู่ข้างหลังน้องขับนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมมีคำถามในใจว่า จิต ส, สุดท้ายนี้พาเราไปเกิดจริงๆหรือเปล่าคะไม่ใช่<ล>หรอกกรรมทั้งหมดที่เราทําเนี่ยมันตัวที่พาให้เราไปตัณหาความอยากเป็นตัวที่พาเราไปเกิดแล้วจะเกิดดีเกิดไม่ดีอยู่ที่บุญหรือาบาปถ้าบาป<บ>ถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปเกิดที่ดีถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปเกิดที่ไม่ดีแต่ตัวที่พาเราไปเกิด ye, ก็คือตัณหากรรมะตัณหาภาวะวตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ใช่จิตสุดท้ายหรอก จิตสุด้ายมันไม่มีบทบาทอะไรเลยไม่มีเลยใช่ไหมีคะแต่ว่าแบบว่าเราทรมานแบบสมมุติว่าเราป่วยอะไรเป็นสักอย่างที่ทรมานร่างกายมากๆไม่มีสติที่จะพูดโธหรือไม่มีสติที่จะยับยั้งจะยับยั้งอะไรอย่าตอนนี้อย่ารอถึงตอนจิตสุดท้ายเลยเหมือนจะทําข้อสอบไม่ดูข้อสอบไม่ไม่ทำการบ้านดูหนังสือก่อนจะมาดูตอนจะเข้าห้องสอบมันจะดูทําที่ไหนอ่ะ ใช่ไหมเนี่ยผู้เจ้าสงสารว่าอย่าประมาทให้รีบทําเสียให้รีบทํากิจของเราทําบาุญละบาปชํำระใจชําระความอยากเนี่ค่ะเพราะพอดีหนูกําลังคิดว่าคนที่เจ็บป่วยตายแล้วมีจิตสุดท้ายกับคนที่ว่าหลับแล้วเขาไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่มีจุดสุดท้ายแล้วใจเขาไม่เป็นบุญเป็นบาปหรือไม่ใช่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ใช่ทั้งนั้นอ่นะเพราะเวลาคนจะตายนีไม่มีใครจะเห็นจิตสุดท้ายหรอกอ่าค่ะ ไม่มีใครเห็นนอกจากคนที่ปฏิบัติธรรมนะที่จะมีสติดูจิตตลอดเวล า, า, าแต่ไม่ได้จิตสุดท้ายจิตไม่มีสุดท้าย ไ, ไอ้ที่สุดท้ายก็คือลมหายใจลมหายใจสุดท้ายอแล้วจิตไม่สุดท้ายาาจิตไปต่อเนี่ยต้องทําบุญเยอะๆต้องทําบุญเยอะๆทำสามข้อที่สอนเนี่ยละ บ, บาปทําทบุญแล้วก็ค่อยชําระกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆ พอหยุดความอยากอยู่เรื่อยๆ อ, อยากเที่ยวอยากไปนู่นมานี่ตัดมันไปอยากหาเงินหาทางก็ตัดมันไปถ้าไม่จําเป็นจะต้องมีมากมายถ้าพอมีพอกินแล้วก็ไม่ต้องไปหาให้มันมากาเสียเวลาคนฉลาดหาสติคนโง่าหาสตางนะข อ, ขอบคุบคณพระอาอจารย์ <c oughs> แล้วจิตสุดท้ายจะไปอย่างสบายไปอย่างสบางบนคุณวราพร มีหมอดูมาทักให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์โทรอ้างว่าจะเกิดเหตุร้ายเจ็บป่วยผ่าตัดจนถึงล้มละลายเราไม่เชื่อเราควรวางจิตและตอบโต้เขาอย่างไรดีครับก็เปลี่ยนอะไรแล้วมันเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนคนแรกเลยวันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบอกมาเลยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนด้วยคนหนึ่ง เ oh. ชื่อกันงมงายแล้วกันความจริงไม่ยอมมองกันชื่ออะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยขนาดไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจนขนาดไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนเปลี่ยนไม่ได้ความจริงนี่จะเปลี่ยนได้ก็คือการไม่เกิดเท่านั้นเองการไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากสามตัวนีหยุดความอยากการมาตัณหาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นก็อยากเที่ยวอยากดูอยากกินอยากดื่มอยากมีแฟนเนีต้องตัดไปให้ได้ อยากเลิอยากรวยก็ต้องตัดไปให้ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บก็ต้องตัดไปให้ได้ถ้าตัดความอยากเหล่านี้ไปได้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามไหมหักเข้ามา <c oughs> ข้างหลัง <c oughs> รอเดียวกลับนัสการท่าจัน อย of pues ากถามว่าอาการพัฟังหลับนี่ไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมครับก็พักผ่อนร่างกายไงมีประโยชน์เลยพักผ่อนร่างกายก็ต้องพักผ่อนงั้นผมคนเน้นเดินจงกรมมากกว่าใชะไหมครับฮะคนเน้นเดินจงกรมมากกว่าใช่ไหมครับก็ทั้งเดินทั้งนั่งถ้านั่งหลับก็ต้องไปเดินแทนครับผมการจะมีสติมากพอมันก็จะไม่หลับไปแล้วนะพระอาจารย์แล้วอาการที่ เวลานอนนั้นกายนอกหลับกายในไม่หลับนี้มีประโยชน์ในทางเอามาปฏิบัติทำได้ไหมครับไม่มีหรอกอเห็นแต่ว่าตอนนั้นใจมันยังมีสติอยู่มันก็เลยพ อ, พอรับรู้บ้างรับรู้ว่าร่างกายหลับหรือไม่หลับอืแต่ไม่มีประโยชน์อะไรออืืคครั บ, บ, ค, ค, รบคุณทีคันาสังขารเป็นของไม่แน่นอน เมื่อเราเห็นความทุกข์ของความไม่เที่ยงของร่างกายทั้งของเราและของคนอื่นเห็นแล้วพิจารณาว่าเกิดมามีแต่ทุกข์มนุษย์ช่างน่าสงสารทุกคนตอนสุดท้ายจบก็มีแต่การพัดพรากเป็นทุกข์จึงเห็นว่าต้องเร่งปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์แบบนี้จิตเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็เริ่มเห็นทางเห็นทุกข์แต่ยังไม่เห็นถึงขั้นที่จะดับทุกข์ได้ ถ้าจะเห็นธรรมจริงๆต้องเห็นเล่าดับมันได้ด้วยไม่ทุกข์กับว่าเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยงนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมจริงเห็นเพียงแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันทุกข์แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ยังละสาเหตุไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเห็นธรรมแบบสมบูรณ์ต้องเห็นทั้งสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรนมากสามารถปฏิบัติกิจในพุทธในในอริยสัจสี่ได้ครบสมบูรณ์ ทุกก็ต้องรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ต้องเจริญให้ใหสมบูรณ์มันถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมอย่างสมบูรณ์คุณชิสนุพงศ์ผิดศีลแปเช่นต้องทานมือเย็นตามสังคมบาปไหมครับคือศีลแป น, นี้ถ้ามันก่อนศีล5้าไปยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นกิเลส ในที่เราถือศีลหกศีลเจ็ดแปดนี้เพื่อจะมาระ ง, งับกิเลสความอยากต่างๆเราไม่ได้ไปทําบาปเราไม่ได้ไปทำรา้ำายผู้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นการแพ้กิเลสยอมแพ้กิเลสเราปฏิบัติเพื่อเราจะเอาชนะกิเลสถ้าเราทําผิดศีลหกถึงศีลแปดไปโอกาสที่เราจะชนะกิเลสมันก็จะยากเนี่ยเราต้องชนะกิเลสด้วยการรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนแต่มันยังไม่ตายเพียงแต่ว่า คอยเบรกมันไว้คอยห้ามมันไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้สมาธิและปัญญาข่ามันต่อไปได้หมดแล้วเลยโอเคถ้าหมดแล้วก็เอาท่านี้ข้าแล้วกันนะประกาสหน้าเข้ามาฟังใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ